เรื่องภิกษุถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าจากสละทิฏฐิบาปนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจะสละทิฏฐิขอรับพึงให้บรรญชาถ้าเขาตอบว่ากระผมจะไม่สละ ไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้ว <c oughs> พึงถามว่าเ <c oughs> จ้าจะสละทิฐิอันบาปนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจกสละขอรับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่ากระผมจกไม่สละไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านจะสละทิฏฐิบาปนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจกสละขอรับพึงเรียกเข้าหมู่ถ้าเขาตอบว่า กระผมจะไม่สละดไม่พึงเรียกเข้าหมูครั้นเรียกเข้าหมูแล้วพึงกล่าวว่าจงสละดทิฏฐิบาปนั่นเสียถ้าเขาสละนั่นเป็นการดีถ้าไม่สละเมื่อได้สมัคคีพึงลงอุเคปณิยกรรมอีกเมื่อไม่ได้สมัคคีไม่ต้องอาบัติเพราะกินร่วมและอยู่ร่วมเรื่องภิกษุถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัดจบมาหาคันธกะที่หนึ่ง